เรื่องวันแม่สามห้าพระม a n ดาแห่งความดีโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนนอมๆเนี่พรัก ม, มีประภากยาวผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายแม้บรินิพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมประพุติศาสนาให้ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฝในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บนใฝ่กุศลทั้งหลาย โดยทุกกันทุกท่านทุกค น, นโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านตั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมกถาปาตกระถาธรรมอันเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านต่างหลายจงตัางอกตั้งแก่ฟังกันด้วยตีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง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 ธรรมะอันเนื่องมาจากวันแม่หาทุกๆปีเราได้มีวันแม่ขึ้นมาแล้วในบ้านเราในเมืองเรา12สิงหาวันแม่แห่งชาติพอเข้าถึงเดือนสิงหาเราทั้งหลายก็เตรียมจิต เตรียมใจสถานที่ข้าราชาการโรงรร่โงเรียนทั้งหลายก็เตรียมจัดงานวันแม่กิจกรรมอันนื่งมาจากวันแม่ก็เกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติลำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่ เพื่อให้พลเมืองของชาติลำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day พราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบแฟมิลี่รเรレーションชีพคือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาไม่ใหม่ การเลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตทีตัวใครตัวมันก็ปีก้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโจหากินพอแม่เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัด ทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมโซเชียลเวนแฟร์โซเชียลอินซูรานประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้ แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่หลอกลานทอดเที่ยงไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นเมืองทีนูน่นตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่งนั่งมือนั่งงอเงืเอนเงื่อนอยู่ตึกเป็นแถวตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นตึกผู้เฒ่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสาร บางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้า ล, ลูกหลานเขาไม่อยู่ด้วยพวกฝรัฟฟ่งผู้เท่าเหล่านี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นฟูงมันเกิดอาการอ่างวางว้าเวโลเลเนตขึ้นมา เอาหมาเป็นเพื่อนเอาหมาเป็นลกูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลกูกเป็นล้านจูงหมาจูงแมวไปไหนผูดกับหมากับแมวดาริงสวีทฮาร์ดโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว้าไปอผูเท้าวเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้แก่แมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันไทยประกันไทยนะ อาประกันตชีพประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยหอดมานะ <c oughs> คือเรื่องหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเยียบรถชนแข่งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวอุย้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่ง แม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เท่าเ่านั้นแม้จะอยู่ตึกสิบชั้นยี่สิบสามสิบชั้น จิตใจก็อ้างวางว้าเวเหมือนไม่บีที่โยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมันแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างวางว้าเว ร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลาบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติตั้งชาติเรียงมาใหญ่โตแจกการหน้าบานปีก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นี่ครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจานวนสามร้อยหกสิบห้าวัน วันที่ลกูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนชอบงานทำกาและไรระบาดหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแกพ่อแกแม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ファเ e r and มาเธอเดยวันพ่อหรือวันแม่หยุดแ ล, ล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้ แฮปปี้มาเธอเดย์แฮปปี้ฟาเธอเดย์เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหนาล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจอมพลแปดไปเมืองฝรั่งเออออนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกร้ามบ้านช่องมีนีคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฟูที่เป็นอย่างไร ก็ไปเห็นว่าเออมันดีก็มาจับเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โรกร้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่ฟ้าก็บอกคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมาเขาอยู่กับลูกกับร้านทุกอย่างลําบากบ้านหลังเล็กๆเลยชื่นชมอยู่กับลูกกับร้านมันดีแล้วจัดแล่มก็เจ้งแต่ดีนี้ถ้าจับใหม่ก็รับรองพอเยอะเลย ทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำ้ากำ้าลกูกกำ้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไปและบบปราชการไทยก็ ย, าย้ยายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงโน้นนี่เอาไปมาลูกล้านเหล่านี้ก็ชินกับการทัดพากจากพ่อจากแม่มีเมียบังมีผัวบังเฮปีหนึง่ง มาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแลว้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกข์ยากลําบากข่าวขึ้นหน้าปลาขึ้นบ้านดําไรด่ดํำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปลุ่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผากไตผาักกลางอุดมสมบูรณ์ไปห้าทํางานทําการเอาไปไปมามาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการทัดผักทิ้งพอ่งพอทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกเงินเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำํำนา ไม่อยากจะเกี่ยวข่าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็เหิงพ่อเิงแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าเวโลลินลนเนตเป็นกมพางงกเงินเงินโอ้ยอ่งสังขายาอีดูพพดรศาสตร์ปูเท่าเด้กเกมาเนิ่มถุกเนิ่มอยากน้อพ่อไงแม่ไงไร่บาทตอนนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดหยุดวันที่สิบสองสิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มา มาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าสนุกสนานเขาครับเขาบ้าบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปลจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก๋งวัวเละมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้ค็ว่าอ่อนซอนนะ ฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหม่เมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณจึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมครับว่า why you make like this i s not good เขาว่าเป็นหย่งจุดจุดให้จังสีมันบดีตัวนี่ครับบอก เจ้าพักคดแนวไหมันดีแสนจะดีเลยตัวเมืองไทยเขาว่า Highlights very good family relation c h e p this is very strong very good เขาว่า why you make like t i s is not good เว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาตมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัตรนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา สิบสองสิงหาวันแม่โดยปารเอาวันพระราชสมภพโปูดภาษาบัณฑละวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถวันนี้เราทั้งหลายควรจะมาละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันพระคุณอันประเสริฐของพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรสร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจอุทิตเป็นพระราชกุศลเพื่อพระนางเจ้าพระมหบรมราชนินีนาฏมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเสวยทรงอยู่เกษมพระสําราณพรทวรากาาและมีพระชนมายุยืนนานต่อไปนี่เป้าหมายของเราจัดในวันนี้ ทั้งโรงเรียนทั้งส่วนเป็นภาครัฐภาคเอกนชนก็พากันจัดวัดวาอารามตั้งภาพพระบรมชายาลักของพระนงางเจ้าพระบรมมาราชินีนั่ะสวดมนต์ถวายพระพรสวดปริตรมองคลชักชวนอยากโยมพุทธบริษัททั้งหลายจำสินภาวนาอุทิศสุนเป็นราชกุศลถวายพระพร ที่นี่มันก็เป็นการดรวมกันเป็นเอกภาพอย่างน้อยเพื่อประโยชน์เพื่อคุณความดีถาวายแด่พระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถแล้วสิ่งที่ดีที่งามเหล่านั้นมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนกลายเข้ามาอยู่ในจิตในใจของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพระเจ้าจเป็นดินที่ดีพระราชนีที่ดีที่ตั้งมั่นในศิลในธรรม นอกจากทำให้พระสกในกรไพ่ฟ้าอนาประชาราชภายใต้เบื้องยุคนระบาดของท่านได้ประสบความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นเพียงในชาตินี้ยังไม่พอยังสามารถทำให้ผู้คนพระสกในกรของท่านเนี่ยไปสู่สวรรค์อีกดวยเนยวน้ามันไปไกลข น, นาดนั้นนะ ทำไมจึงกาลในชาตินี้เวลานี้ท่านก็เอาใจใส่พระศกในกรไถ่ฟ้าอาณาประชาลาดอย่างกรณีเรื่องราวรุนแรงเกิดขึ้นพุทธภาทามินที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าไม่มีพระบรมบุญญาธิการมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็ยังไม่แน่เลยว่ามันจะออกมาในรูปไหนบ้านเราเมืองเราปานนี้อาจจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟ นั้นด้วยอำนาจแห่งราชานุภาพอันประกอบไปด้วยธรรมเรียกว่าธรรมราชาอุภาพธรรมราชนิยุภาพก็เลยก่อให้เกิดสันติภาพความสุขความสงบความร่มเย็นขจัดปักเป่าขยันตรายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองจากร้อนให้มันเป็นเย็นสงบร่มเย็นลงมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้มอยู่ยวันหนึ่ง ท่านยิ้มยิ้มอยู่ในใจพระอนุ์ก็แปลกใจก็เลยถามว่าพันเตภกวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนทำไมพระพูทดเจ้าของเราทักะเลายเล่าให้ฟังว่าอนุน์พระราชามหากศรศัตริยราชพระบรมราชนีนาถท่าตั้งอยู่ในศิ้นในธรรมแล้ว ไม่เพียงแต่ทําให้พระสงฆ์ในกรไพรฟ้าอานาประชาราชประสบความสงบร่มเย็นในพื้นแผ่นดินโลกในชาตินี้เท่านั้นแต่ยังส่งไปไกลถึงพาพระสงฆ์ในกรไพรฟ้าอนาประชาราชที่เกิดร่วมแผ่นดินภายใต้เบื้องอยู่คนบาทของพระองค์ของพระานางแก้วนั้นได้ขึ้นสู่สวรรค์อีกด้วยนี่ท่านทั้งหลายต้องคิดไปไกลๆนะ เมื่อเมื่อตอนจะเมื่อออกพรรษาใหม่ๆปีที่แล้วอาตมาได้พาพระเนรเดินธุดงไปพักผ่อนบนยอดเขาโพผ่พานบนอุทยานแห่งชาติห้วยหววไปอยู่ที่ถ้าพระด่านแรงหลังจากนั้นก็ไปต่อไปอยู่ที่ริมฝั่งห้วยไค้น้ำตกแก่งโพกลางป่าดิบดงดำที่อำเภอดงหลวง คุณกฤษดาสุภาพไัยบุญซึ่งเป็นหัวหน้าบนอุทยานแห่งชาติห้วยหวัวคนนี้เป็นคนสัมมาทิฐิมากเห็นพระสองฆ์องค์เจ้าไปถึงมากมายนอนอยู่ในป่าในดงกบพาลูกน้องปลุกเข้าไปหาไปกราบไปไหว้ไปทำบุญทาทานความจริงพวกเราตั้งใจจะหนีคน ไ, ไก ล, ไกล ไม่ปาธนาจะกินข้าวในขณะนั้นอยู่ในป่าลึกเพราเวลาเราได้แต่คลุกขีอยู่กับผู้คนเราตกลงกันว่าจะฉันมาม่าวัน ล, ละสองเวลาเท่านั้นวัน ล, ละสองหอไม่ใช่สองเวลาแล้วก็มีโยมไปด้วยแปดคนต้มน้ําร้อนพอรูบมาม่าพอได้ถ่ายไปฉันมาม่าวัน ล, ละสองหอก็พอแล้วจเจริญสมาธิภาวนาวาตาภโคกินลมเป็นอาหารเอาสมาธิเป็นอาหารก็ได้สมาธิภโค แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นคนกดสดาสุภาพไปบู์เห็นยังเงาพาลูกน้องบริวารของท่านเนี่ยไปทำบุญกันเราก็เลยได้ชั้นข่าวในขณะเดียวกันในจำนลลวนลูกน้องเนี่ยแถบอำเภอจันเพ้แถบอำเภอเตา ง, งอยตำบลจันเพนินับถือศาสนาคริสเตียนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่พ่อแม่โ บ, บราณโบราณทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับ เพรรงองค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาแต่วันนี้เขาจำเป็นต้องมาทำบุญจำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิเพราะตรงกับวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ คือวันเฉลิมพระชนพรรษาวันเกิดวันพระราชสมภ พ, พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทวนหน้าพระสงในกรงไผ่ฟ้าอานาประชาราษฎร์บางก็แสดงออกทางการเสียสละเวลาร่างกายเลี่ยวแรงท้ามพีพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบูชาเป็นพระราชกุ์สนบางก็ทำบุญสุนทรธานตักบาตรฟังธรรมจำสิ้นบางกอเจริญสมาธิภาวนา อยู่ในปานในดองคุณกฤษดาสุภาพไปบุญเนี่ยผ่าลูกน้องทั้งพุทธทั้งคิดมาฝึกสมาธิภาวนาภายในธรรมกับอาตมาหนังสมาธิถวายราชกุศลฟังเทศฟังธรรมเอออาตมาก็นึกนึกว่าเออนี่คือของจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดว่าพระราชาที่ดียอมยังพระสกในกรไพรวาณาประชาราชไม่เพียงแต่อยู่เย็นเป็นสงในชาตินี้ ยังทรงไปไกลถึงขนาดว่าให้ประสบความสุขความเจริญเดบเกิดในสวงสวรรค์ในปรกพเราเห็นประจักษ์ชัดแล้วถ้าไม่ยังพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าความจริงนั้นไม่ว่าผู้ใดจะถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูซิ่งเป็นวอเดมสโลสเตอร์ aster, อะไรต่างๆ ในพื้นแผ่นดินเดียวกันธาตุทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างเดียวกันทำเหตุอย่างเดียวกันผลมันก็จะไปโซ่อันเดียวกันเนื่งที่ทั้งพุทธทั้งคริสมาทำบุญมาไหว้พระมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในธรรมกับปาตามาเนี่ยวันนั้นเหตุที่ทำให้คนทั้งสองศาสนามารวมกันมาทำอย่างเดียวกันเพราะหัวหน้าหัวหน้าเขาคือคุณปิสดาสุภาพไปพุ่น คุณกฤษดาสุภาพไปบุญมาทําสมาธิภาวนาเพื่อถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมานั่งสงบอยู่กับบ้านละมันเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวเป็นผู้ตั้งมั่นในสิ้นในธรรมเป็นผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อพระสงฆ์ในก่อนไพรฟ้าอนาปชาราชหัวห น, านว้าหน่วยงานทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายราชายุทธโตปิข้าราชการทั้งหลายก็ เอาเยี่ยงเอาอย่างทำอะไรเพื่อท่านในวันนั้นก็เลยแสดงออกด้วย ก, ก, การกระทำกุณงามความดีนอกจากทำบุญสุ้นทรท า, านแล้วก็ยังมานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็กลับคืนมาสู่บุคคลเหล่านี้ถ้าเขาพบความสงบเขาก็จะพบความล้ำลึกแห่งความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสงบ ผลมันก็ส่งไปไกลถ้าหากการทำบุญสุนทรธานนั้นจะให้ผลในขณะนี้หรือในขณะใดก็ตามก็เป็นผลของการกระทำอันนี้ผลอันนี้ก็มาจากเหตุที่ได้กระทำนั้นเหตุที่ได้กระทำก็มาจากพระราชาท่านมีความรักความพอใจอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยบอกพระอนนท์ท่านกล่าวว่าภูตะปุพังานันทะเทวานังตาวาติงสานังสุธรรมายังสภาอย่างนิสินนานัง สันนิปาติตานังอายะมันตรกะท่าแปลว่าดูก่อนอานอนเรื่องเคยมีมาแล้วอันตรกถาหมายถึงว่าถ้อยคําอยู่ในระหว่างที่คุยกันของเทวดาอันตรก็คือในระหว่างนั้นกะทาก็คือถ้อยคําที่คุยกันในระหว่างที่คุยกันนั้นอันตรกถานี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวาเดงผู้หนังประชุมกันนะักสภาชื่อว่าสุธรรมสภาเทวดาคุยกันว่าอย่างไรรู้ไหม เทวดาใหม่กับเทวดาเก่าไปพบ ก, กันเทวดาที่ไปขึ้นสวรรค์ใหม่ๆปรากฏบนสวรรค์ใหม่ๆพวกเทวดาหน้าเก่าๆก็นั่งอยู่ในสุธรรมสภากําลังจะฟังธรรมกันเห็นหน้าเทวดาใหม่ๆขึ้นไปลายองค์ก็เลยเด่นั่งคุยกันพวกท่านทําบุญซุ้นธรรธานทําคุณงามความดีอะไรซึ่งถึงได้มาเกิดบนสวรรค์พวกเทวดา ไม่ก็บอกว่าโอ้ทาบุญทาทานอย่างนั้นได้ทําบุญใดตักบาตรใดเจริญสมาธิภาวนาสร้างคุณมงามความดีโอพวกท่านทําไมถึงได้ทำอย่างนั้นความจริงพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําดอกแต่ว่าพระราชาพาะธรรมพวกข้าราชการทําตามพระราชาก็เลยมาบังคับมาสั่งให้พวกเราทําพวกเราไม่อยากทําก็เลยต้องทําเมื่อทําแล้วมันก็เลยได้ผลตายแล้วเดิมาขึ้นสวรรค์เพราะการกระทำที่ไม่ได้เต็มใจเท่าไหรนะ่นัก มีพวกเราเสียดายเหลือเกินเสียดายว่าเราได้ทำน้อยๆทำด้วยความจำใจเพราะพระราชาพาทาเพราะข้าราชการทั้งหลายได้พาเราทำเพื่อบูชาพระราชานั่นเองแล้วก็เลยได้ขึ้นสวรรค์เพราะพระราชานั่นเสียดายเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ตั้งใจทำดอกทำด้วยความไม่เต็มใจได้ทำด้วยการคล้ายๆว่าถูกบังคับแต่ก็หม่เชิงนะนะ ก็เลยได้มาขึ้นสวรรค์ถ้าเราตั้งใจทาจริงๆด้วยศรัทธาจริง ๆ, ๆเนี่ยเราจะได้บุญได้กุศลขนาดไหนนั่นนี่หมากว่าอานุภาพแห่งประราชาผู้ทรงธรรมแพ่ไปโดยทําทําให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องได้ทําคุณญงามความดีได้ขึ้นสวรรค์เหมือนพระเจ้าอาโศกบอกว่าผู้ใดเกิดในแผ่นดินในอาณาจักรของข้าบุคคลเหล่านั้นก็นเหมือนลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าเขียนไว้ ตอแกลึกไว้ในหลักศิลาจารึกทั่วแวนแค้ น, นอันไพศาลในประเทศอินเดียสมัยโบราณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนี้เล่าให้พระอนุนฟังที่เยิ้มๆยิมถ้มาทามีเวลาลองไปเ ป, ป, ปิดพระไตรปิฎกนะมัชฌิม ป, ปนามัชฌิมนิกายราชวัชพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามลองไปเปิดดูข้อที่สี่ร้ยห้าสิบแปดหน้าที่สี่ร้ยี่สิบอ็ดท่านจะได้พบอย่างชัดเจนที่พระพุทธเจ้าพูดคานี้ แล้วเทวดาเก่าได้ยินเทวดาใหม่กลให้ฟังนั้นก็พากันชื่นชมจินดีและก็เลยพูดอุทานออกมาว่าอุทะปาธิล า, าภาวัตโพวิเทหานังสุลัดทั้งวัตพโพเทวิเทหานังเยสังนิมิราชธรรมนิโกธรรมราชาธรรมเมธิโตธรรมราชาธรรมมังจรติพัมนคมเนเนฆาปฏิเกศ เนคเมสุเจวะชาณประเทศสุจะโอโปสถะกันจะอุโปสทันจะอุปาสวัติจะตุทิสิงปันจะทัศสิงอัตมิงปักคาสาติแปลว่าเป็นลาภอันประเสริฐของชาวิเทหรัฐแล้วหนอท่านผู้เจริญชาวิเทหรัตเขาได้ดีแล้วหนอที่พระเจาแผ่นดินของเขาเป็นพระราชาประกอบไปด้วยธรรมเป็น คำมราชาเป็นพระมหาราชผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพรามกษัตรบอดีชาวนิคมชาวชนบททรงรักษาอุโบสถในวันสิบสีคัมสิพาคัมวันที่แปดแห่งปักพูดง่ายว่าแปดคำเก่าคำสิบสี่คำสิพาคำพระราชาพระมหาบรมราชินีน่ะทรงสถิตอยู่ในธรรมทรงกระทาอุโบสถถ้าอย่างเนี้ย และมหาชนทั้งหลายก็ได้ทําตามเริ่มตั้งแต่หัวหน้าผู้ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมโอรสาธิราชสยามกุรราชกุ ม, มารีทั้งหลายก็ได้กระทําคุณงามความดีอย่างนั้นตามเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชบริพารผู้อยู่ใกล้ชิดต่อมาก็ลามขยายขอบเขตมาถึงข้าราชการส่วนบนลงมาส่วนล่างถึงประชาชนพราะเห็นนั้นทําเป็นเล่นไปใน เมื่อเราได้เกิดมาพบพระราชาพระราชนีผู้ทรงศ้นทรงธรรมนั้นมันเป็นบุญเมื่อปีนี้แหละเดินที่ผ่านมานูน่นเดินพฤษภามิถุนาพฤสภานนในเดินพฤษภาในขณนะที่เกิดพฤษภาธันินนั่นเองพระนงางเจ้าพระบรมราชนีนาแต่สเสด็จมาที่จังหวัดสกลนครของเราเนี่ย ได้มาที่หมู่บ้านดอนคําบ้านเล็กๆอําเภอคํตาตะกาอาดมาก็ได้ไปรับสเสด็จกับท่านเจ้าคณะอําเภอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอําเภอแล้วก็มีพระสงฆ์แปเก้ารูปด้วยกันได้พบเห็นพระราช จ, จริยาวัรของพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาท่านมาเยี่ยมพระสงฆ์ในกรไพ่ฟ้าอาณาประชาราษบ้านนั้นเป็นบ้านเล็กๆ อาตมาเองก็ไม่เคยเห็นครั้งหนึ่งที่เป็นคนคํตาตะการนะบาดดอนคําได้เห็นเพราะพระบรมโพธิสมภารของปณันเจา้าพระบรมมาราชินีนั่นทันมาตรงนั้นเราก็เลยไปพระสงฆ์นีกรอนไผ่ฟ้านำประชาชนลาัลงไลกันไปห้ามกันไปคนเก็บคนไข้คนทุกข์ยากลําบ า, ากข้านางเจ้าก็ไปเยี่ยมเยือนเพื่อชมพระบรากายดูคนทุกคนอยากคนเก็บไข้ได้ป่วยเอา้ามีหมอไปด้วยรักษาพยาบาลหลังจากนั้น ถามไายพระสงฆ์ในกรไถ่ฟ้าอนาปชาลาแล้วก็ขึ้นมาบนศาลามากราพระดูเหือสมพระวลาตายเลยแต่วันนั้นอบอ้าวมากเลยทั้งฝนก็จะตกทั้งอา้าวท่านก็มากราพระมาถวายปัจจัยชยทานอาตามาเองได้รับเงินสามพันบาทท่านถวายพร้อมกับผ้าห่มอาตามาก็มาแล้วลึกว่าเราต้องเวนคืนเงินนี้เป็นเงินของแผ่นดิน ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าแต่มานเป็นคนชอบป่าชอบดงพระราชินีของเรานั้นท่านชอบปลูกป่าอีกด้วยพระบาทสมเพระเจ้าอยู่ห้องเราท่านชอบสร้างแหล่งน้ําเขื่อนอ่างคูคลองโครงการพระราชดําริในภาคอีสานที่มันแห้งมันแล้งส่วนพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จไปตรงนี้ก็ชอบไปปลูกป่าที่อําเภอเจริญสินทางออกไปอําเภอสว่างนั่นท่านก็ซื้อป่าเรียกว่าป่ารักน้ําพระมหาราชินีหน้าของเราเหมือนป่า พระราชาของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราเหมือนน้ำํำป่าจะต้องรักน้ําน้ํารักป่าป่ารักน้ําถ้ามีป่าก็ต้องมีน้ําเพราะป่านั้นจะดูดฟ้าดึงฝนป่านั้นจะดูดซับเอาน้ําใต้ดินเอาไว้ดึงเอาความชื้นในอากาศมารวมกันกับความชื้นในแผ่นดินก่อตัวเป็นความอบอ้าวลอยขึ้นไปกับเมฆไปผสมกันเป็นเมฆนั่นแหละแล้วก็โตกลงมาป่ารักน้ํา น้ำก็ต้องรักป่าถ้าไม่มีน้ำปลาก็เหี่ยวแห้งเขาตายไปถ้าไม่มีป่าน้ำก็รีบเอือดแห้งไปแผ่นดินนี่เมื่อได้รับความร้อนแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาถ้าไม่มีปลาดูดซึมซับเอาความร้อนไว้ความร้อนก็จะต้องสะท้อนกลับเหมือนในทะเลทรายอาตมาไปอยู่มาห้าหกปีในทะเลทรายกลางวันร้อนเหมือนอืมใจจะขาดตายแต่กลางคืนหนาววับวิวใจจะขาดตาย เ, เหมือนกันเพราะว่าความร้อนในทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้ที่จะ ดูที่จะซับเอาความร้อนนั้นคงไว้ในแผ่นดินมันสะท้อนกลับหมดสองมาทะเลสะท้อนกลับหมดร้อนมเมื่อพุางคืนหมดแล้วก็มีจะเย็นมีแตหนาวแต่บ้านเราเมืองเราถ้ามีต้นไม้พอความร้อนส่องสาดลงมาแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์สู่โลกเนี่ยป่าไม้มันจะดูดซับเอาไว้ในป่ากลางวันจึงอบอ้าวมากเลยในป่ากลางวันนี่ เย็นแต่กลางคืนมันจะอบอ้าวมากเพราะว่ามันเก็บความร้อนตั้งแต่กลางวันเอาไว้แล้วมันก็ส่งความร้อนสะท้อนคืนไปสู่ห้องฟาร์มไม่เกินสิบเปอร์เซนต์ไอความร้อนอบอ้าวที่มันเก็บเอาไว้กักเอาไว้ทั้นแหละกับไอน้ําใต้ดินที่มันดูดซับร่างไม้ดูดซับเอาไว้เนี่ยกับความร้อนนี้ก็อ้าวเพิ่มกันขึ้นไปอีกร้อยตัวขึ้นไปพบอากาศเย็นก็จับตัวกันเหมือนไอน้ําในในในในเตากาของเราที่ต้มนั้น มันก็กออกตัวเป็นเ ม, ม่ฆก็ตกแล้วมาเป็นฝนนี่มันอาศัยกันอย่างนี้คพราะนั้นน้ํารักป่าป่ารักน้ําพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาของเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราก็รักพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจึงเปรียบแต่เหมือนป่ารักน้ําน้ํารักป่าป่าก็เลยรักน้ำํำอันตะวัสตงมาสามพันบาทอาดามา ก, ก็เวนคืนให้แผ่นดินให้หมดุด จ้างคนขุดหลุมในวัดหลุมละสี่บาทหนึ 1, ่งพันหลุมก็ตกไปสี่พันบาทหาเงินที่พระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาสมเด็จทันถะาวายมาสามพันบาทเก็เอาที่อื่นเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งพันเป็นสี่พันบาทขุดหลุมหนึ่งพันหลุมเสร็จแล้วเราก็พาชาวบ้านพาพระเนนไปขุดเอาต้นประดูในป่าเพราะว่าประดูนั่นพอถึงหน้าเล้ง ต้นเท่าแขนเท่าขานี่ไฟไหม้หมดชาวบ้านาก็เผาป่ามันไหม้มันตายหมดพอฝนตรงมามก็ ง, งอกขึ้นมาใหม่ตามตอตามอะไรมันก็เราก็ไปขุดขึ้นมาเอามาปลูกปลูมันดิบดิ บ, ดบสดสดนั่นแหละเรียนรัดเลยเรียกว่าป่าราชนีเดี๋ยดีท่านทั้งหลายมีโอกาไปดูเลยก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเวนคืนปูกป่าบูชาพระคุณแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะแผ่นดินนี้มีเจ้าของในเมืองเงินนี่เป็นเงินของพระเจ้าแผ่นดินของเรา พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเอื้อคืนให้แก่แผ่นดินถ้าเรารับแล้วจะเอาไปถวายคืนให้ท่านมันก็ไรอยู่ทําให้มันตรีดอกออกผลให้มันเป็นต้นไม้บูชาพระคุณแผ่นดินจะได้ดูดฟ้าดึงฝนให้มันเป็นป่ารักน้ําให้มันเป็นน้ํารักป่าเป็นป่ารักน้ําเป็นอารามรักนกเป็นพุทธศาสน์พวกรักธรรมนาความเคียวกับคืนมาบูชาพระคุณแผ่นดินคืนชีวะให้ป่าใหญ่คืนพงไผให้แผ่นดินอย่างนี้อันนี้เราก็ ทำให้บ้านเมืองเราดู่เย็นเป็นสุขเอกเหมือนกันในวันแม่เนี่ยอยากจะชัเชวนท่านทั้งหลายให้มาละลึกถึงพระคุณของพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยากจะชวนท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดในวันแม่แห่งชาติเนี่ยบูชาพระคุณแผ่นดินโดยการปลูกไม้ลงบนพื้นแผ่นดินซะคนละหนึ่งต้นถ้าเราทําได้เ ง, งี้ยวันแม่แห่งชาติจะเกิดต้นไม้เพิ่มขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้หกสิบ <c oughs> ล้านต้น ถ้าเราทำได้เงี้ยมันจะเป็นการดีเพราะว่าการปลูกป่านั้นได้บุญทุกเมื่อนะทำไปเล่นไปพระพุทธเจา้ทาท่านเคยตตอบเทวดาอาตมาพูดแล้วพูดอีกบ่อยๆไม่เคยเบื่อนายอยากจะชวนท่านต่งตงตงางยทำบุญทุกเมือ่อมีเรื่องเล่าไว้ในสาทวักษสังยุตติกายปฏิปดิเล่มที่สิบห้าข้อข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหน้าที่สี่สิบหก วันอรปะโสเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าของเราว่าทำอย่างไรผู้คนผู้ปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญเป็นผู้ทำบุญทุกเมื่อมีบุญทั้งกลางวันมีบุญทั้งกลางคืนได้บุญอยู่ทุกเมื่อเป็นผู้ตั้งมั่นในสิ้นในธรรมเป็นผู้ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าบุคคลใดปลูกป่ปาบุคคลใดสร้างหมู่ไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแร่งน้ำบุคคลใดให้โลงน้ำเป็นทาน บุคคลใดสร้างที่พักพาอาศัยให้ก่คนทั้งหลายได้เข้าไปอาศัยบุคคลนั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ต่างหมันในสิ้นในธรรมไปสวรรค์แน่นอน ขันว่าอย่างนี้อารามะโรปาวนรกโรปาเจชนาเซตุกรารกาปะปัญจอุดพานันจะเจทะทันติอุปสตยังเตสังรัตโตเจธิวาจะสถาปุญญังปวัตตาติธรรมัตาศิีระสมปนาเตชนาสัก ข, ขามิโนโบุคคนใดปลูกป่าบุคคนใดสร้างอารามปลูกหมูไม้ให้ร่มเงาบุคคนใดสร้างสะพานที่กันดานไปมาลำบากบุคคนใดเป็นทุก สร้างแหล่งน้ําให้ลงน้ําเป็นทานขุดบอ่อเป็นทานให้ที่พักอาศัยบุคคลนั้นได้บุญกลางวันกลางคืนละโตกลางคืนทิวากลางวันศรัทธาทุกเมือ่อพุนยังประพฤติเจริญโดยบุญทุกเมือ่อธรรมทา่าสิรสัมปันาต่ัณมัตในสินในธรรมเยชนาสกามีโนชนเหล่านั้นไปสาวาทแน่นอนนั่นเห็นไหมล่ะเพราะนั้นเรามาบูชาพระแม่เจ้าชาวไทยของเราด้วยการปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินยังน้อยคนละหนึ่งต้นนี่ หกสิบล้านคนมันจะได้หกสิบล้านต้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้โลกกำลังร้อนโลกกำลังป่วยไขย้แม่ทรณีกำลังหลั่งน้ำตาแม่พระคงคากำลังสะอื้นน้ำเน่าอากาศเสียฝนตกลงมาเป็นพิษมะละพิษทัางหลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ผู้ใหม่เขารบรักใหม่คำหนึ่งถึงบุญคุณของแผ่นดินแผ่นน้าอีกหน่อยเราจะพากันตายก่อนนะคนเรานี่จะตายก่อนสัตว์สัตว์แลจะตาย ทีหลังต่อมาเพืเ่อจึงจะตายเพราะว่าบรรยากาศของโลกมันขาดออกซิเจนคาร์บอนในโลกสูงขึ้นวันวั น, วนหนึ่งมนุษย์เผาปา่ามนุษย์เผาท่อไอเสียส่งควันพิษขึ้นทําลายบรรยากาศโอโซนของโลกทําให้แสงอุ่นตาเ อ, เออเลสส่องลงมาในโลกความร้อนสูงขึ้นพวกโลกมะเร็งในต้นไม้มาเร็งของเผือมาเร็งของคนมะเร็งของสัตว์น้ําจะเกิดขึ้นสัตว์น้ําตายก่อนต่อมาก็สัตว์บกต่อมาก็ต้นไม้ตายเพราะว่า ออกซิเจนหายใจมันน้อยลงน้อยลงพวกคาร์บอนออกไซด์มันมากขึ้นเหมือนในดาวพระศุกเหมือนในดาวพระอังคารน่นนะคนทั้งหลายอยู่ไม่ได้สัตทั้งหลายอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีออกซิเจนเดี๋ยวนี้ออกซิเจนเราน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเราเผาป่าเราทําลายป่าสิ่งที่จะมากกันให้เกิดออกซิเจนให้เกิดลุ่นยภาพของสิ่งแวดล้อมคือป่าไม้ทุกทำลายหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดคํานี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเหมือนพูดมาวันนี้ มันมีความหมายมากการประชุมกันอินเตอร์เนชั่นแนง e อ e เฟอเ l นซ์ออ n โอโซเลเ c o m p ค e มเพลก็ดีกันประชุมกันพวกเซิร์ชซัมมิตในกนในนี่ก็ดีเมื่อผ่านมาเดินที่แล้วเนี่ยก็ดีล้วนได้ประชุมกันในเรื่องเดียวเรื่อ ง, องโลกจะพินาศย่อยยับหนทางเดินทางของโลกกำลังไปสู่วุ ไปสู่วินาสันตโรโซโกนานาฏกรรมอันยิ่งใหญ่กำลังคืบขานเข้ามาถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมด้วยเหตุนั้นพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาของเราจึงสนใจในการปลูกป่าพอเหตุนั้นวันแม่แห่งชาติเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกจงคืนชีวาให้ป่าใหญ่คืนพงไปให้แป่นดินถ้าจะให้ดีมาทาบุญกัน ซื้อที่ดินปลูกป่าซื้อป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโซมที่คนตั้งหลายเขาเข้าไปทําลายแล้วจะไปปลูกเขาก็จะไปถางเพราะเขาถือว่าเป็นที่ของเขาเขาถางปลูกมันปลูกปอปลู ก, ลกอะไรหมดแล้วเอาเงินกันมาซื้อเขินได้ไหมแต่มาว่าเราทําได้ขนาดว่าเจ้าใหญ่นายโตเศรษฐีเงินทั้งทั้งหลายทําบุญกับนักฟุตบอลทําบุญกับนักกีฬาทําบุญกับนักมวยชกกันที่โดเป็นทีโวยสายซอยเต็มคอนักมวย ให้เงินเป็นหมื่นให้ใหเงินเป็นแสนทําไมไม่คิดว่าเอามาซื้อแผ่นดินปลาสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมเนี่ยมาปลูกปลาึ้นมาถ้าซื้อแล้วเอามาถาวรไว้วัดเลยก็ได้ให้วัดเป็นผู้ปลูกให้ก็ได้เลยยังไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วจะถูกไล่นี้เหมือนพระประจักษ์ไล่ก็ไล่ไปรัฐบาลไล่แล้วก็นี้ให้ไหล่จากประเทศไทยพระคนนี้เพราะว่าพระนี่เป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรื่อนแต่ถ้าอยู่ก็ควรจะทําประโยชน์ปลูกปลาปลูกดองช่วยชาวบ้านสั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดมีขึ้น ที่นี่ถ้าหากคิดว่าป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันไม่มีสิทธิที่โดยชอบทำใครจะเอาไปไหนกลัวว่ารัฐบาลจะยึดคือรัฐบาลยึดคือรัฐบาลก็แบกนี้ไปไหนไม่ได้แผ่นดินมันก็ยังอยู่ที่เก่าเนี่ยรัฐบาลตายไปมันก็ยังอยู่ที่นี่พอเห็นนั่นไม่ต้องกลัวแม้จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆซื้อมาเถิดที่เขาทําลายแล้วน่นเขาปลูกปอปลูกมันอะไรต่างๆแต่เนี่ยจะมาซื้อนะใครมาทําบุญทําทานไม่ทําอะไรซื้อที่ดินป่าสงวนเสื่อมโทมเนี่ยคืนมาปลูกป่า ใครจะว่าบ่าก็ตามไม่เกินร้อยปีโบกมืออําลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่คเวรเข้าเลิกแพงชีวิตเดี๋ยวนี้มีชีวิตจูคืนชีวาให้ป่าใหญ่โดยการไม่ทําลายป่าคืนพวงไพให้แผ่นทินแผ่นดินโดยการซื้อที่ดินคืนมาปลูกป่าดองพวงไพบูชาแม่พระคอรณีบูชาพะราพะราชนินะีหน้าท้องเราที่เราให้ท่นทานทั้งหลายฟังเอาละพูดไปพูดมาวันเวลาที่เรียก ว, ว, วันแม่เนี่ย จะมาถึงเรื้ยวหันไปแล้วก็ตามอยากจะพูดถึงอีกอันหนึ่งว่าวันแม่นั้นควรจะลำลึกนึกถึงสิ่งหนึ่งคือคำหนึ่งคาที่ว่าแม่เนี่ยอย่าทำเป็นเพียงพิธีรีตองแล้วก็หมดไปสิ้นไปเฉยๆขอให้คำหนึ่งถึงคำว่าแม่แม่นี่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอะไรอะไรก็ตามมันเริ่มต้นที่แม่เราเกิดมานี่มันก็เกิดมาจากแม่ สิ่งใดที่มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสิ่งใดที่เป็นแบบเป็นพิมพ์เขาเรียกเสียงนั้นว่าแม่แม่น้ําแม่ทับแม่น้ําน้ําที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รวมลงแห่งสาครทั้งหลายน้ําจากที่สูงย่อมไหลลงที่ต่ำยอดเขายอดเขาสอกเขาทั้งหลายไหลลงโขงห้วยน้องของปห้วยน้องตั้งหลายไหลลงโขงแม่น้ำใหญ่ใหญ้วยใหญ่เขาเรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำในแม่น้ําคงคาแม่น้ํำยูเพลสแม่น้ําไทคริสแม่น้ํำอเมซอน จะแม่น้ำก็ไหลลงสู่มหาสมุทรสาค่นคนที่ยิ่งใหญ่ในกองทัพก็เรียกว่าแม่ทัพไม่ได้เรียกว่าพ่อทัพเลยคูเขาจะเรีกเขาเรียกว่าแม่มหาชิมาลายัยเพราะเห้นั้นจักเริ่มต้นที่แม่ชีวิตเริ่มต้นที่แม่แผ่นดินที่เราได้เหยียบย่างอาศัยโลกทั้งโลกเขาเรียกว่าแม่พะระธรณี แปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งรัตนะซึ่งสิ่งที่มีค่าตั้งหลายชีวิตนี้ถือว่ามีค่าที่สุดนะอะไรอะไรก็รวมอยู่ที่ชีวิตถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ไร้ค่าหมดทุกอย่างแต่ชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกนี้เพราะนั้นโลกที่รองรับชีวิตทั้งหลายจึงเชื่อว่าธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่มีค่าสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งหลายด้วยเหตุ น, นั้นในวันแม่แห่งชาติเนี่ย ขอให้เรามาและลึกนึกถึงความเป็นแม่ขอให้วันนี้จงเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแม่ของวันทั้งหลายปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันขอให้เือว่าวันนี้เป็นแม่ของสามร้อยหกสิบสี่วันจงทำอะไรในวันนี้ให้มันเป็นแบบเป็นอย่างเป็นพิมพ์ที่ดีที่งามของสามร้อยหกสิบสี่วันตามหลังมาขอให้วันนี้จงเป็นวันที่คลอดออกมา ซึ่งคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจแม่นั้นเป็นผู้คลอดลูกลูกจะเกิดมาต้องคลอดออกมาจากแม่วันแม่ก็ขอให้เป็นวันคลอดออกมาซึ่งคุณงามความดีเพราะว่าถ้าแม่ดีแล้วลูกมันก็จะดีขอให้เราคํานึงถึงความเป็นแม่เดยนี้ทุกคนปรารถนาอยากจะให้ลูกของตนเองดีไม่ว่าแม่คนไหนทุกคืนงขมรทมคมคืนเพราะลูกชั่วในขณะที่ลูกชั่วนั้น เราก็อยากจะให้ลูกของเราดีพระอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนเอาไปฝากในขณะที่เราเลี้ยงลูกของเรามานั้นเราไม่ได้คํานึงถึงว่าพระรง์องค์เจ้าอยู่ตรงไหนครูบาอาจารย์อยู่อย่างไรเราจะพาลูกเข้าวัดเข้า ว, ว่าเราจะไปฟังธรรมจํำศีลตั้งแต่ตอนที่เป็นแม่คนโบราณ น, นั้นตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆทัานก็ให้คํานึงถึงความเป็นแม่เป็นพ่อเหตุพ่อข้องแม่เหตุป่าข้องลุงเหตุปูข้องนาเหตุปีของเดือนเหตหุไหยข้องหน้าเหตุเผ่าของสง ที่ทอคล้องแม่ที่ทอของแม่นั้นตอนที่จะเป็นแม่คนพ่อคนแต่งงานใหม่ๆนี้ทํายังไงถ้านในอยู่ในสินกินในทํานะวันพระวันเจ้าให่งดการมะสังวรอยา่าไปเสพกามกันหัดฝึกควบคุมอารมณ์จิตใจให้มันมั่นคงไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความผิดอะไรตามกฎหมายอาญาแผ่นดินลูกเรามีเราพัวเราจะทําอย่างไรก็ได้แต่มีความผิดในใจเราว่าเราจะควบคุมใจของเราวันนี้ไม่เสพกาม หลังเานั้นถ้าเราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นการดีเป็นผู้ยุนเนื้อความรู้สึกฝ่ายต่ําได้เป็นนายเนื้อจิตของตนเองให้ได้เยีางว่าสีผู้เป็นแม่เป็นเมียก็เหมือนกันในวันพระวันจา่าเก็บดอกไม้บูชาพัวทําได้ไหมกลัวแต่จะเสียเปรียบฉันก้มหัวให้แก่เธอไม่ได้หรอกต้องก้มได้เพื่อมีชัยชนะเนื้อความเห็นแก่ตัวของเราเคยเป็นผู้แพ้กันบ้างหรือ ย, อยัง มีแต่อยากจะเป็นผู้ชนะไม่มีใครอยากสมัครเป็นผู้แพ้จงเพ้กันเถิดแล้วจะชนะใจตนเองเพราะเหนั้นความเป็นแม่เนี่ยสำคัญกว่าความเป็นพ่อเขาจะไม่เรียกว่าพ่อทับพ่อน้ำมวลพืชสพสัตย์พร้อมปตพีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้แม่นั้นเหมือนนักทีดุดกล่าวโลกสมุิมอบอังแม่นาสมัญญา แม่นั้นเหมือนแผ่นดินดุดกล่าวโลกสมุดมอบอังแม่พระธรณีแม่น้ำแม่ธรณีแม่พระคงคาแม่พระธรณีโลกดูได้ด้วยแผ่นดินด้วยน้ําแม่คนก็เหมือนกันแม่สัตว์ก็เหมือนกันจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ไปหาแม่พันธุห้าพ่อพันุที่ดีเห็นไหมล่ะแม่พันแต่ต้องไปสั่งซื้อมาจากเมืองนอกจะเลี้ยงไก่ก็ต้องหาแม่พันธุ่ดีจะเลี้ยงมูก็หาแม่พันที่ดีจะหาคนละ จะให้คนดีก็ต้องมาสร้างความเป็นแม่ที่ดียวเดี๋ยนี้นับวันที่เราจะขาดคุณภาพของแม่เดี๋ยวนี้ตามอกตามใจตนเองเลยเกิดลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกไหม่เคารพครูบาอาจารย์ลูกเสร็จไหม่เคารพครูบาอาจารย์บัณฑเบืองขาและเบียบวินัยมันเริ่มต้นแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่คำไหนเฮไหนหาไหนไปตรงนั้นงานตรงไหนสว น, น, นสนุกตรงไห น, นพ่อแม่หา้ามไม่ฟังผู้หญิงทุกวันนี้ชอบชายได้ก็ไปหาเขาเที่ยวงานเที่ยวการสมัยก่อนเนี่ยโอ๊ย จะคุยกันยากลําบากมากเลยผู้ชายอยากจะคุยผู้หญิงเขาตามตอกออกตามประตูเขารบผู้หลักผู้ใหญ่เองอกเกรงใจผู้ชายลําบากที่จะคุยผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะจีบกันไม่ยากเลยผู้หญิงไปหาผู้ชายเลยเข่าทานองคนโบราณว่าปาย่างดูหิทนทายานเต็นสวบแมวไปนู่นเลยเจ้าผู้นูสิ่งหน่อยเห็นแมวทายานสวบซึ่งมาถิมโทดหายห้อมเพียงใส่แต่แมวเดี๋ยวนี้หนูสิงหน้อยทายานสวบแมวปกติแมวจะต้องสวบหนู ตัดกินหนูเดียเ๋ยวนี้ผู้หญิงไปหาผู้ชายชอบใครรักใครไปแล้วงานนั้นงานนี้พ่อแม่ห้ามไม่ฟังไปไปหาเขาสุดท้ายเป็นยังไงได้เสียกันมาเสีย อ, อกเสียใจจิตแตกใจเพไปหาขอดลูกทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลบางทีขอดออกมาฆ่าลูกทิ้งบางทีกําลังยังไม่ขอดตั้งท้องเดือนสองเดือนเอ้าไปรีดไปอะไรทิ้งเอาลูกออกมาใส่ถุงพลาสติกไปขว้างทิ้ง แม่ใจเจิใจดําขนาดนี้แม่เสื่อมคุณภาพขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนเพราะนั้นทําอย่างไรเราจึงจะได้แม่ที่ดีมันสําคัญที่แม่เนี่มากกว่าพ่อนะจะบอกให้พ่อไม่ดีนี่ขอให้แม่ดีเถิดเพราะว่าเลือดแม่มันแรงพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้ว่าแม่นี่สําคัญมากยิ่งกว่าพ่อมีครั้งหนึ่งพระเจ้าปรเสนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในโกศ ล, ส, ลสังยุต สังยุตานิกายมหาสังยุตตานิกายโกศลสังยุตไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าข้อที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็หน้าหนึ่งร้อยี่สิบห้าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลไปเฝ้าว่า พ, พุทธเจา้าแล้วพระนางมัลเลกาเกาะประสูติออกมาเป็นพระราชาธิดาออกมาแต่เป็นลูกผู้หญิงบ่มีบักเถกเลยนางเนี่ยได้เป็นลูกผู้หญิงเขาก็ไปกราบทูลพระราชา บ, บอกว่าบันนีพระราช พระคามัยเฮสีทรงประสูติแล้วเป็นพระราชธิดาท่านเสียใจมากเลยเอามือลูบอกแม้เราในผิดหวังทุกครั้งเลยไม่ได้ลูกผู้ชายสักทีพระพุทธญาหันลูกท่านก็ตัดต่อออกไปเลยว่าไม่สําคัญจะเป็นชายเป็นหญิงมันสําคัญตรงที่ดีจริงามตรงที่แม่เป็นหญิงก็ขอให้เป็นหญิงดีเธอมันดียิ่งกว่าชายนะมันจะเป็นแม่ที่ดีผู้ชายมันคลอดลูกไม่ได้ผู้ชายดีก็ดีคนเดียวน่ะ น, นะ ยากมากเพราะว่าผู้ชายคลอดลูกไม่ได้ถ้าผู้ชายดีแล้วคลอดลูกได้จึงจะได้ลูกที่ดีแต่ผู้หญิงดีนี่คลอดลูกออกมาจะได้ลูกที่ดียิ่งๆเลยแต่ผู้หญิงปอเป็นตาสะแตกออกลูกมากับปอบเป็นตาสะแตกกันนี้ท่านพระพุทธเจ้าของเราหังกล่าวว่าเมธาวิน <c oughs> so, oh ีสีระวติสัตสุเทวาปฏิภัตาตัศาโยชายติโปโสรู้โลโคติที่สัมปติ ตาธิซาสุภริตาปุตโตรัชัมติอนุซาสตริติวัชนแปลว่าผู้หญิงที่มีปัญญาสตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาจงรักพักดีสามีทุกเมื่อบุรุษที่เกิดจากสตรีเช่นนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกาเป็นเจ้าแห่งทิศบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแมราชสม บ, บัติก็ครอบครองได้ฟังให้ดีนะ สั้นๆเบี่ยงแค่นี้ความหมายของแม่สําคัญสูงสุดมากท่านบอกว่าสตรีที่มีปัญญามีศีลหมายความว่ามีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติดีรับผิดชอบกายวาจาใจเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้หญิงจะดีมีความรู้และมีศีลดีเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดถ้าปฏิบัติแม่ผัวดีปฏิบัติญาดีจนว่าพิดกันจักเถื่อบอกกินเน่งแข้งใจเน่าในเปรี้ยชัดจักเถื่อเดี๋ยวนี้เครื่องวัดลูกภัย ลูกสะพมันอยู่ที่ยาเอาลูกไผ่มาหายาคือเอาหามาใส่เฮิร์นไปสันไปยังจะเอาหามาใส่เงินมันมาถือกันพราะลูกไผ่ไม่ดีถ้าลูกสะไพายดีแม่ยาจะเป็นเครื่องวัดยาจะไม่ดีก็ตามฟองให้ลูกสะไพายดีไม่ทะเลาะเบาแว้งยอมแพ้ยอมให้อภัยยอมไม่คุณญาตด่าคุณญาติใช้อันนั้นเป็นเครื่องขอไัยไฟฟ้ามันดับไป ทีเราก็มามาว่ากันต่อไปว่าเหตุที่จะให้เห็นว่าแม่พัน์ที่ดีนี่นะแม่ที่ดีนั้นมันจะต้องเป็นเครื่องวัดมีเครื่องวัดก็คือย่าคือแม่ผัวสัจสุเทวาปฏิพาตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดายอมปฏิบัติรักษาผัวแม่ผัวตนเองนี้เหมือนกับแม่ของตนเองลองคิดดูเถิดจะต้องใช้จิตใจที่อ่อน นิ่มนวน ล, มลละมุนละไมยอมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ความอดความทนเป็นการฝึกเป็นการฟื้นเป็นการสร้างอุปนิสัยแก่บตนเองเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตอนอดทอนได้ทุกกรณีเพราะว่าผัวของเราเกิดมาจากแม่ของผัวแม่ของผัวก็คือแม่ของเราแม้ว่าท่านจะไม่ดีไม่งามไม่ถูก อ, อกถูกใจยอมได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นความหมายที่ให้เราได้คิดมากว่าสัสุเทวาปฏิพตา ปฏิบัติแม่ผัว ด, ดังเทวดาตรัสรโยชายจิีโปโซจงรักภักดีสามีสูรโรโหติที่สัมปติบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแก้วกลาสุระแก้วกลาที่สัมปติย่อมเป็นผู้เป็นใจแห่งทิเป็นเจ้าแห่งทิ ต, ตาทซ่สาสุภรีสุภริตาปุตโตรัชมติอนุซาสติบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม่ราชสมบัติก็ครอบครองได้ พระพุทธเจ้าตัดบอกพระเจ้าปเปอร์เสริ์ที่โกศลอย่างนี้ราชสสมบัติก็สามารถจะครอบครองได้ถ้าบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีมันสําคัญตรงที่แม่พันวันแม่ชาติขอให้เราทั้งหลายผู้เป็นผู้หญิงเป็นแม่ทั้งหลายให้ะลึกดีๆต้องการลูกดีเราต้องเป็นคนดีปฏิบัติผัวดีปฏิบัติแม่ผัวดีคนภาคอีสานเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยในหนังสือธรรมดาสอนโลกสอนให้เมียเนีย่ยปฏิบัติ ตัวอย่างไรขอรโลวัะย่ามใดพัวหักควนคุ้ยใดมาเฮื่อนให้เจ้าแบงให้เจ้าคิดที่ฉวนเห็นแหล่าให้แบงยายทั้งมวล น, นั่นปันเป็นสาม ส, ส่วนส่วนหนึ่งนั่นถาน้อมไหวเสรือพือนส่วนนึงเว้นว่างให้มหาเทนท่านทอดส่วนหนึ่งยายพีหน่องฟูงไก่คู่เฮื่อน ย้ายเมื่อเบื่องวง่องซาไลแห่งให้เจ้าแบงโผดไวเมื่อเบื่องแม่ผัวถมคุณให้ตามข้องเป็นไผ่เพินถนอมยิงแมงสเสมอเพียงแม่ตนผู้น่ะให้ถนอมแม่ผัวนี่เหมือนแม่ของตนถมคุณให้ตามของไผ่เพินถนอมยิงแมงสเสมอเพียงแม่ตนเหตุว่าเลี้ยงม้านี่กะวังข้องกินโดกแท้ได้การที่มีลูกไผ่อาศัยหย่อนเพงแห้ง ฟุ่งเคยแกนหู่อาศัยเพงค่ากินคันวิเที่ยวมาหาให้ยืนแ บ, บยใบให้ย่าได้ซ่อมง่อมกลมส้มเงําหยานแต่แกนกินเน้อของออกเพื่อนแต่ละหน่อยแต่อย่าเฝ้าหําให้คํากล่าวนี้สอนคนภาคอีสานเมียที่ดีเป็นอย่างนี้แม่ผัวเมือนกับแม่ของตนเองพระพุทธเจ้าสอนมาก่อนแล้วคนภาคอีสานก็เอามาแต่งเป็นกราบเป็นกรธรรมดาสอนโลกสัตสุเทวาปฏิปตา อยากได้ลูกที่ดีอยากให้สังคมที่ดีต้องหาแม่พันธุ์ที่ดีผู้หญิงทั้งหลายจะต้องเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเราจะเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังหาแม่พันธ์หาพ่อพันธุ์ที่ดีงวควายเป็ดไก่นั้นเขาเลี้ยงเอาเนือ้อเขาเลี้ยงเอาทางร่างกายของมันถ้าจะเอาทางร่างกายก็เอาพ่อพ่อพันธุ์ที่ดีบัก เล้านปักแปดแฟนหูยานโตบสูบบองยานเตบเต๊เขาเขียนหุบเอาไว้เห็นไหมงัวพันอันนั้นเขาเลี้ยงเอาทางกายมันแต่ถ้าเลี้ยงเอาจิตเอาใจที่ดีที่งามต้องการให้โลกได้มีแต่คนดีแม่ทั้งหลายจงระลึกเถอะว่าท่านเป็นแม่ของลูกท่านเป็นแม่ของโลกพ่อนั้นยังไม่สําคัญเท่ากับแม่แม่สําคัญมากถ้าแม่มีสินมีธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าวา่าแม่ทาวิณิสีระฟติ สตรีใดเป็นผู้มีปัญญาสตรีใดเป็นผู้มีสินมีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ส, สัสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผั ว, วดังเทวดาตัสาตาโยชยตีโปโซจงรักภักดีสามีของตนเองสู้รโรห์ติติสมันติบุรุษที่เกิดจากสตรีจากผู้หญิงอย่างนั้นยอมเป็นผู้แก้วกา้าเป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบของได้พระนเรศวรมหาราชเป็นบุตร หลานสืบห น, น่่แนวพันมาจากพระนางศรีสุริโยธยจึงเป็นผู้แก้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศครอบของราชสมบัติแม้เมืองไทยจะตกเป็นขทาของพมาา่าคาซึกหลายสิบปีทันกลับมายังไม่ถึงบ้านและประกาศอิสรภาพเหนือแผ่นดินจุดน้ําลงในแผ่นดินหลวงน้ําทักษิโนทบปากดลงในแผ่นดินเทวดาอาลักษณ์สิงศรีตั้งแต่บัตหนี้เป็นต้นไปเมืองสยามไม่เป็นเมืองขึ้นแก่พมาา่าคาซึกประกาศอิสรภาพเหนือแผ่นดินที่เมืองแข็ง หลังจากนั้นก็แก้วกาเห็นไหมส้โรโฮติสัมปติที่ปุทธเจาวายอมเป็นผู้แก้วกาเป็นเจ้าแห่งทิศ ท, ทิศ ท, ที่เมืองสยามอยู่บัดนี้แก้วกาประกาศสงครามรบในที่สุดก็เอาบ้านเอาเมืองเขินมาขพราเหตุนั้นท่านเลยสลุวัตตาทีส่าสุผลิตาปุตโตขออภัยลิ้นมันพันกันรัชชปิอนุซาสติบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้น เมร่า จ, จะสมบัติก็ครอบของได้นี่ถ้านี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเน้นมากเลยคือเน้นตรงที่แม่ตาทีซาสุภริตาปุตโตบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นรัชมปิ anusasa สติเมร่าจจะสมบัติก็ครอบของได้ตัวอย่างประจัจกษ์ชัดอย่างพระนเรสวนมหาราชของเรา ซึ่งเป็นหลานสายเลือดเหยื่อดิตีของพระนางศรีสุริโยไทยเชื้อแม่สายเลือดของแม่พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าพนางศรีสุริโยไทยนั้นแกล้วกล้าขนาดไหนขณะว่าสาช้างก็ไปขวางเพื่อช่วยพระราชสวามีโดยไม่หวานกลัวต่อความตายแล้วก็ถูกตัดคอตายตัดคอขาดบนคอช้างแต่ลูกออกมาล้านออกมาพระนเรศวรมหาราชนั้น ทีแรดตๆสายเลือดของนางศรีสุริยธยัยก็เลยแก้วกะรักษาราชสมบัติเอากอบกู้คืนมาได้ที่เรียกว่ารัชชมปิอนุซาสตรีติมันส่งไปถึงลูกจากลูกถึงหลานขอให้แม่พันุ์ที่ดีเพราะเหนั้นในวันแม่ของชาตินี้ขอเราทั้งหลายจงพากันและลึกนึกกันใหม่ว่า ต้องการให้ลูกของเราดีต้องการให้โลกให้สังคมของเราดีท่านจงแมที่เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของโลกมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกนั้นไม่ใช่มือของผู้ชายอกสามซอหากแต่เป็นมือนิ่มๆที่ไหวเปรยก้มเห่ให้ลูกน้อยหลับนอนมือที่ถือสา ก, กระเบือตำน้ําพริกเลี้ยงปากเลี้ยงทองของผัวและลูกนี่แหละพักดันให้การเคลื่อนไหว ของผัวเป็นไปตามอำนาจอันนี้วิจิยการต่างที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการตัดสินใจของบุรุษผู้ที่เรียกว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามอาจจะเป็นมือนิ่มๆอยู่เบื้องหลังนี้แหละผลักดันให้กระทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่นีเน่เป็นเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นผู้สร้างอุ ป, ปนิสัยใจคอใฟเข้าไปในสายเลือดให้ลูกเกิดมาอย่างนั้น แม้แต่ผัวเองก็ต้องทำตามอำนาจของเมียซะเป็นส่วนมากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แม่ทัพจอมทัพทั้งหลายก็เหมือนกันที่ว่าเก่งกล้าหุนพลผู้กคลืนไกลในสนามลบกลับมาถึงบ้านก็ย่านเมียคือกันเพราะนั้นมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกก็คือมือนิ่มๆของผู้หญิงนี่เองแม่ของโลกแม่ของโลกวันแม่ของชาติวันแม่ของประเทศไทยปีหนึ่งสามร้อยหกสบห้าวัน วันนี้ขอให้จงเป็นวันแม่เป็นวันมารดาของสามร้อยหกสิบสี่วันที่จะตามมาขอให้วันเหล่านั้นจงได้แบบได้อย่างจงเป็นลูกของวันนี้วันนี้จงเป็นวันที่คลอดที่หลังที่ไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีสร้างประวัติศาสตร์โลกสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสร้างสังคมโลกสร้างสังคมบ้านเมืองของเราด้วยการสร้างอุปนิสัยใจคอของแม่ให้มันดีมันงาม มีคนเคยบ่นกับอาตมาว่าทุกวันนี้ผู้ชายไม่เข้าวัดเขาว่ามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นดูสิเตมสาลามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีอาตมาไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าผู้หญิงมาวัดน่าดีแล้วถ้ามีผู้หญิงอยู่ผู้ชายมันจะไปไหนเพราะผู้หญิงนี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้ชายเวเมื่อเวลาพระโพธิสัตว์ประสูดจะลงมาเกิดท่านก็ต้องมองปั่จมหาวิโลกันนะดูลงมันในโลก ประการแรกท่านจะต้องมองดูแม่เสก่อนว่าแม่มีศีลมีธรรมหรือไม่ไม่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์จะดูว่าพ่อเรามีศีลมีธรรมหรือไม่ท่านดูที่แม่แต่แม่ดีมีศีลมีธรรมแล้วก็บ้านเมืองเป็นอย่างไรประเทศชาติเป็นอย่างไรตรงที่ท่านจะเกิดคนเมียยุตไลท่านต้องมองมาที่นี่สําคัญต้องมองมาที่แม่ฝ่ายชายนั้นไม่ต้องห่วงขอให้ฝ่ายหญิงดีซะอย่างเดียวผู้หญิงมาวัดอยู่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งแลง้งผู้ชาย ดูแต่นางอมิตาตากับชูชกชูชแกแก่เกือบตายแล้วนะนางอมิตาตาใช้หัวให้ไปป่าเขากิรีวงกฏมันเป็นตะย่านแท้แกไปได้ที่ไหนพอได้ยินเสียงนางอมิตาตาบอกว่าให้ไปหาคนใช้มาแก้กลัวที่สุดเลยคือกลัวว่าจะไปได้อย่างไรแต่เสร็จแล้วนาะงอมิตาตาก็โขว่าขันบอหามาให้คูรูศนี้มืออือน่นเติมมือสองซีเมื่อบานก่อนง่ายวันทัน ให้มึงหาคนใส่ยิ่งส้สยพอ่อคูกูจินอนอยู่บ้านงานใส่ให้เปาทำาะฉัน ขันบ่อยโดยดังใจประสงค์กูสิลงเข้าหาไปไมายสายส้มสูสะไปหาหุ่นเหลนต่างวนใต้ส้มเบาไปหาเบาสำหน่อยมโนสตรตอนเสนีต่างและมีความเบกเสิงสายส้มเหลนเนี่ยเมือแต่งเพลียงสิลงเกี่ยวกอมสายภาษาเนี่ยเพื่อหายชูโชคยัดตายหัวใจตกอยู่ในตาตุ่มเพราะอาการถึงหาคนใส่หาเขานีอยากกลัวเพียงดยเยียวหยอกหน่องล่องเหลนบังกระบวนซื้อดอกหน้าเวทันย่านก็บอย่าน ญานมีหลายกว่าผีกองก่อยเสมยดงในป่าหิมพานนั่นคำกล่าวในการมหาผลมันน่ากลัวขนาดไหนยำ่ำได้ยินเสียงไก่แก้ว ห, ห้องฮำเคลื่อนขอนสนีนั่งนอนหำให้หาสู่ปวงมู พี่พ่องเป่าขี้นี่บริษรัทธ์ดงดานส่างสร้างหายทองเที่ยวกข้ามกรลัดเร็งเลียวให้ระว่างคูห่หาสุริยาเอียงคําแหล่งโลงใหม่พี่ยาใบาหองคนพ่องพ่องคางเสียงบางลว้สุ่มเสือสมอยดงเอ อ, เ อ, อไอ้ผีกลองไกเป็นไดายานแต่ชู้โชคยังย่านเมียหลายกว่าเพราะนั้นเมียนี่ยอยู่เบื้องหลังเป็นทิดเบื้องหลังผลักดันให้โพธิ์ทอะไรก็ได้สุดท้ายเม่เนี่ยจึงสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบรกว่าตาทิซ่า สุภริตาปุตโตรัชมปิอนุซาสตีติมุตที่เกิดจากพันรยาที่ดีเช่นนั้นก็สามารถที่จะครอบครองรักษาไว้แม้แต่ราชสมบัติดังกล่าวมาให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างพระพร ะ, พระเลยสวนมหาราชนั้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านทั้งหลายจะได้ดูแขนความเป็นแม่นี้สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระมหาโพธิสัตว์จะมาประสูจะมตาตัดสรู้กวตรวจดูโลก บัดนี้คนในโลกมีอายุเท่าไรพอจะฟังกันรู้เรื่องเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือไม่และบัดนี้พมานดาของเราที่จะลงไปเกิดนั้นมีสินมีธรรมเหมาะสมพอที่เราจะลงไปเกิดได้หรือไม่ไม่ปรากฏในตำนานว่ามหาโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ชั้นลุสิตต้องตรวจดูพ่ออีกสัก่อนว่าพ่ออยู่ในสินในธรรมหรือไม่ถ้าไม่ดีสักอย่างเดียว